สงบสุ่ครามตั้งอยู่ริม น, น้ำแม่ปรงเป็นหนึ่งไม่หนีสองน้องขอรับรอมเป็นพี่ไฟอัมพวาหรือจะมาบางคนพี่ ส, สงดสรงครางเดี๋ยวนี้ยินบีให้มาทางเรนตลาดน้ำอัาพวา ศรัทาโลมโฮบาเลเณมเจ้จาดังสงศี้าเวทสวนวัดรามณีถ้ามหาินเนี้ ลงอัมพาแสนสีสวยเจอใจถ้าได้มาทิ่ใล้จะพาไปดูเขาทายแม่ทุกหิมใหญ่แล้วซื้อไปฝากได้ไหมได้ใจอยากยากทุกคนนั่งมเรือลอยลำสลากน้ำมีเขาฝากมาพลน อย่ามัวรีรอไม่ต้องให้ง อ, นอเลยนะน้องจะคอยรับนะหน้าภาพพิธีเยวาทุกทีไปดูหน้าเปลือแล้วเอาเปลือไปขาดน้องอีที่ดอนหอยลอดเดี๋ยวนี้ยังมีคนพี่เยวามากมายก็ตีของโดน ยังโดนใจคนมากลานเป็นที่ก้าวผ่านพามาทั้งในต้องเ้อใบกลับมาันไทยวานองเฝ้า อย่ามัวรีรอไม่ต้องให้งอเลยเนื้อน้องจะคอยรักหาพี่เที่ยวทุกทีไปดูนาเกลือแล้วเอาเกลือไปฝากน้องทีที่โดนหอยลอดเดี๋ยวนี้ยังมีคนเที่ยวมากมายก็ปิคองรน ยังโดนใจคนมากมายเป็นพี่กานข้ามาทั้งในตั้งเสียใบกับมันไทยวานองป่า